พูดถึงไส้เดือนบ้างไส้เดือนชัยชอนอยู่ในดินนี้มันเห็นดินไหมหรือว่านอนที่อยู่ในส้วมส้วมอย่างแบบโบราณไม่ใช่ส้วมสมัยนี้ย่อเย้อไปหมดนอนเนี่ยเห็นอุจจระไหมนี่ขอให้ลองคิดดูในลักษณะเช่นนี้เราจะเข้าใจได้ว่าไอออทั้งที่อยู่ในน้ำก็ยังไม่รู้จักน้าแล้วทำไมจรู้จักบกได้